Book 2ปดสเจดสตชสตชอดีตการของกริยาช่วยกิริยาปัจจันจ์ชารูปะประการันจ์ุตกิยปัจจรูปประการับุต เราต้องรนานาดน้ำดอกไม้อม् ह ล ल าจา ड ันนะाาปานิฆาลาเวลากลีอมฮัลลาจารันा่าปลาเกลีเราต้องทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์อมฮัลลาลหาล้องสะอาดกระอาเวลากลีอมฮัลลากเวลีเราต้องล้างจานอ म ् ह ा ल ा बशा ธุวाเวล์ลักเाี้ยอำฮาลาภาษาธุวาเวล์ลัคุณต้องจ่ายบินด้วยหรือเปล่า तुला बिल भरावे लागले का तुला बिल भरावे लागले का คุณต้องจ่ายค่าผ่านประตูด้วยหรือเปล่า तुला प्रवेश शुल्क द्यावे लागलेका तुला प्रवेशशुल्क ดาวเวลากล่าก้าคุณต้องจ่ายค่าปรับด้วยหรือเปล่าตุลาดุนดะบาราวาลตุลาดดะวลลก้ใครต้องการลาจากกันกอนลานิโรบยวาลากลกอลนรบยวลละใครต้องการกลับบ้านก่อน कोणाला ल ล क र घरी जावे लागले कोणाला ल ิ ल क, ल ल क र घरी जावे लागले ใครต้องนั่งรถไฟ कोणाला र े ल ลเวเนจ้าเวลากลิโคโนล่าเรลेวเนจ้าเวลเราไม่อยากอยู่นานอัมหัลล์จ้าสตेวร์ ह าห อัมหัลลจ้าสตเวรราหัยเซนเอเราไม่อยากดื่มอะไรอัมล ह ीคาฮียัอาต์ัมลลาคาฮียเนอเราไม่อยากรบกวนคนอัมลลาทุลาตราสทยัเซอาต์ตอัมห nah nah ุลตราสทยันตตอนนั้น ดิฉันแค่อยากใช้โทรศัพท์มล่าแค่เวล์ฟอนการอัดจะหดตามล่าแค่เวฟนัดจหตดิฉันแค่ต้องการเรียกแท็กซี่มัลล่าแค่เวล์แท็กซี่บูลไวชีหที่จริงดิฉันแค่อยากขับรถกลับบ้าน ขรุขระมะละขรุขระมะละขรุขระดิฉันคิดว่าคุณอยากโทรถึงภรรยาของคุณ मलावाटल เล่คีตุล่าตุจภาพตุนีลาฟอนก์การายจะฮุตाามะละวัตเล่คีตุล่าตุจภาพตุนีลาฟอนก์าราจะฮุตดิฉันคิดว่า คุณอยากโทรสอบถามข้อมูลม ल ลาว ट ल เล่กิตุลา mahithi kendrala phone กระไรจะโฮมาลวัตเล่กิุลา mahithi k e n d र ा l a phone ดิฉันคิดว่าคุณอยากสั่งพิซซ่า मलावाटल เล่กิตุลา झ ิซा่ามากรไก่จะลวัตเล่กิุลาิซซมากรไाา